เครียดให้แย้มริมฝีปากออกกว้างขึ้นและทอดสายตาออกไปไกลๆจะเห็นเหมือนกระแสความเบิกบานที่เอ่ขึ้นมาแทนที่ความฝืดฝืนนั้นหากใครมีศรัทธาในพระพุทธปาติมาองค์ใดหรือประสมรูปไหนที่ระบายยิ้มจับใจก็อาจนึกถึงท่านและน้อมนึกว่าท่านมายิ้มในหน้าเรา ก็สามารถเป็นแรงบันดาลให้ยิ้มจริงใจได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องทำนานแต่ขอให้ทำบ่อยและเลือกลืมตาขึ้นขณะที่กำลังเบิก บ, บานเหมือนชมอยู่ในรอยยิ้มช่ำชื่นจะบรรเทาความเครียดความฟุ้งและต่อยอดเป็นการแผ่เมตตาแบบวิธีมาตรฐานได้ง่ายมากขึ้นเพราะจิตที่มีทําปิติหนุน ย่อมมีความเป็นไปตามกระแสธรรมนำพานั่นเองตัดตอนความฟุ้งด้วยเปลือกตาดังที่ทราบแล้วว่านิวรณบัปมีจุดมุ่งหมายในการขจัดอุปสรรคบนเส้นทางภาวนาข้อนี้ขอกล่าวถึงความฟุง้งระหว่างทำสมาธิแบบหลับตาซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญของผู้เริ่มปฏิบัติทุกคนจะใช้วิธีจับอารมณ์สมาธิ หรือบริการแบบใดๆก็ตามหากเกิดความฟุ้งแน่นหนาขึ้นมาอย่าพยายามฝืนเพ่งอารมณ์ตอบให้เลืมตาขึ้นเป็นการตัดตอนกระแสความฟุง้งเหมือนเปิดประตูให้ความอัดแน่นระบายออกไปเสียแต่อย่าเปิดตานานา น, นักเพราะจะมีความฟุ้งแบบเปิดตาแทะเข้ามาแทนจนเลือนจากอารมณ์เดิมเสียสนิท เมื่อปิดตาลมจับอารมณ์สมาธิใหม่จะเห็นจิตใจสงบลงกว่าเดิมและเหมือนพร้อมจะจับอารมณ์มากกว่าเก่าขอให้เลืมตาขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดความฟุ้งแน่นถึงขีดความอึดอัดอย่าฝืนทนทุกชี้ค่มใจอย่าหลงเห็นว่าหลับตานานๆหมายถึงเก่งเลืมตาบ่อยๆแล้วเสียศักดิ์ศรี สิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับต้นๆก็คือความปลอดโปร่งไม่ใช่ความนิ่งแน่วแบบกดดันคงใจความแน่วนิ่งจะตามหลังมาเองเมื่อใจเราปลอดโปร่งพอจะจับอารมณ์เดียวได้นานขึ้นเรื่อยๆตามกำลังที่สั่นสมเพิ่มอย่างเป็นธรรมชาติหากฟุ้งจัดขนาดที่เปิดตาทีเดียวช่วยไม่ได้ก็ขอให้ลองซอยเปิดตาทิที เอาแบบถียิบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คือแต่ละครั้งต้องทางเปลือกตากว้างนักขอภัยค่ะไม่ต้องทางเปลือกตากว้างมากนักเอาอาการซอยเร็วเป็นหลักซอยนานครั้งหนึง่งครึ่งนาทีก็จะพบว่าความถี่ของการซอยเปลือกตาเอาชนะคลื่นความฟุ้งในหัวจนได้หลังจากนั้นว่าปิดเปลือกตาพักสนิท จะรู้สึกสงบมากพอแก่การนับหนึ่งใหม่สังเกตลมหายใจกับจิตการใช้ลมหายใจในที่นี้ไม่เหมือนฝึกอนาปานาสติเพราะเป็นแบบแผนของอนาปานาสตินั้นโดยหลักจะใช้กำหนดรู้ลมหายใจตามจริงแต่นี่เป็นการเรียกลมหายใจเพื่อความสดชื่นให้เริ่มด้วยการระบายยิน้มน้อย สังเกตอาการของจิตที่สบายตามรอยยิ้มจากนั้นให้ถอนใจยาวเหมือนระบายความตึงเครียดออกมาหลังจากเสร็จแล้วค่อยปิดตาลงห้ามคิดว่าจะทำสมาธิห้ามกำหนดว่าต่อไปนี้จะให้จิตสงบหรือตั้งใจจับอยู่กับลมหายใจความรู้สึกทั้งหมดจะต้องอยู่กับความผ่อนพักอาจเอาต้นคอพาดพนัก เป็นการบอกตัวเองว่านี่คือจังหวะสำหรับการพักอย่างแท้จริงหากทำตามขั้นตอนข้างต้นทุกข้อจะสังเกตเห็นว่าจิตหย่อนความฟุ้งลมนิดนึงเมื่อรู้ตามจริงเช่นนั้นค่อยลากลมหายใจเข้าสบายๆแบบสูดอากาศให้เต็มปอดเรียกความเบากายเบาใจสังเกตจิตตัวเองว่ามีความสุขสดชื่นกับลมหายใจเข้าเต็มปอดนี้ ปกติสติของคนฟุ้งจัดจะมายุติที่ตรงนี้เมื่อระบายลมหายใจออกอีกครั้งคราวนี้เริ่มกลับฟุ้งอีกให้สังเกตว่าพอใจฟุ้งลมหายใจหยาบและสั้นลงขอให้สังเกตเฉยๆอย่าได้พยายามบังคับให้เลิกฟุ้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าฝืนระบายลมหายใจออกให้ยาวกว่าเดิมหลักสาคัญอยู่แค่ตรงนี้ ถ้าพบว่าตัวเองหลงฟุ้งไปแล้วให้สังเกตเพียงความหยาบกับความสั้นของลมหายใจยังได้ย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างพอสามารถดูได้ว่าจิตกับลมหายใจมีความสัมพันธ์กันเกราวหน้าจิตจะเริ่มเป็นอัตโนมัติประการหนึง่งคือหายใจยาวและละเอียดขึ้นกว่าคราวที่ผ่านมาเล็กน้อยทําให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นด้วย เมื่อสามารถเห็นว่าลมหายใจละเอียดขึ้นเรื่อยๆจิตจะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆขอให้คิดว่าเป็นเพียงการทำคะแนนหนเดียวอย่าลงเข้าใจว่าตนเองจะสงบสุขอย่างนี้ตลอดไปให้บอกตัวเองว่าจะต้องฟุ้งอีกจะต้องย้อนกลับมาแก้ฟุ้งด้วยอุบายนี้อีกบ่อยๆในที่สุดเมื่อผ่านวันผ่านอาทิตย์ผ่านเดือน ก็จะพบว่าจิตเราสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นฟุ้งตามปกติหรือว่านั่งสมาธิแล้วฟุง้งขอให้แงนหน้าต่อตาแบบที่จะครอบครุมเวิร์ฟ้า ได้กว้างไกลและสังเกตเปรียบเทียบระหว่างขณะจิตฟุ้งกับจิตที่คลายความฟุง้งหรือเห็นเปรียบเทียบได้แค่ความต่างระหว่างความรู้สึกหนักทึบเมื่อก่อนมองฟ้ากับความรู้สึกเบาโล่งขณะมองฟ้าเราใช้ฟ้าเป็นเครื่องปรับจิตให้เบาลงเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความต่างระหว่างหนักกับฟุง้งเบาเพราะสงบโล่ง เมื่อเทียบได้จะสังเกตได้ว่าเมื่อคิดปุ้งซ่านหนักๆสายตาเรามักไกรคิดจับหรือจับเป้าหมายใดเพียงใกล้คับแคบอันมีส่วนสัมพันธ์และเป็นไปตามสภาพนมามธรรมในกายภายในแต่ถ้าทอดตาไปไกลขึ้นกว่าเดิมมองตรงหรือแงนขึ้นสูงความรู้สึกภายในจิตจะเปิดกว้างขึ้นให้ถือว่าความรู้สึกดังกล่าวเป็นจิตที่เปิด ไมจิตปิดแคบหมกมุ่นอยู่ในกรงความคิดนี่เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งคนส่วนใหญ่มองฟ้าและสติก็จะหายไปบนโน้นลืมกายลืมจิตซึ่งก็แปลว่าอยู่นอกขอบเขตสติแบบที่เป็นสติปัฏฐานสี่หากรู้อาการคลี่คลายความฟุ้งแล้วเฝ้าดูภาวะหลังจากความฟุ้งหายไปก็จะกลายเป็นสติที่ถูกต้องไม่เพ่นและไม่เผลอโดยอัตโนมัติ การมองไม่จำเป็นต้องมองนานเอาแค่ให้ปลอดโปรง่งหลุดจากตรงขังของความฟุง้งขณะทอดาตาจับฟ้าก็ารู้ว่าปรากฏของกายนั่งไปด้วยรู้ความสงบเบาของจิตไปด้วยถ้ายังไม่อาจกำหนดรู้ว่าจิตเปิดสบายขึ้นกว่าเดิม ก็ขอให้สังเกตรกริยาทางกายเช่นคิ้วที่เคยกระหมดมุ่นหรือว่าหน้าผากที่ตึงๆจะมีอาการคลายออกอย่างนี้ก็นับเป็นการสังเกตจิตที่ผ่านกริยาทางกายได้เหมือนกันข้อดีของการสังเกตเช่นนี้คือเราเก็บไว้เป็นตัวอย่างได้คราวหน้าพอเกิดความฟุง้งความเครียดหรือความแข็งกระด้างขึ้นอีกก็จะมีอัตโนมัติขึ้นมาอย่างหนึ่งคือรู้ว่าดูตรงไหน ไม่ใช่เพ่งเข้าไปในจุดใดจุดหนึ่งในกายไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความมือลอยออกมาข้างนอกแต่รู้แบบเดียวกับที่มองท้องฟ้านั่นเองคลายออกตรงไหนก็รู้ตรงนั้นบางคนอาจใช้อุบายนี้เป็นตัวเริ่มตั้งหลักกำหนดสติแบบธรรมานุปัสสนากล่าวคือเมื่อทอดตามองฟ้าจนปลอดโปร่งพร้อมกับเห็นกายใจเบารู้สึกเหมือน เหลือแต่กายเปล่าเปล่าเาจตเปล่าเปล่าไร้ความคิดก็เริ่มนับว่านั่นคือจุดเริ่มต้นรู้กายใจแบบศักแ์ต่ ว, ว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อลืมความปรากฏของกายใจก็นับว่าหลงเข้าไปอยู่ในมติของความคิดฟุ้งเพียงเปรียบเทียบระหว่างสติรู้กับเมื่อหลงบ่อยเข้ากำลังสติก็จะค่อยๆทวีขึ้นตามธรรมชาติแล้วทรงอยู่แต่อาการศักแต่รู้ คือเห็นรูปกายท่าหนึ่งเกิดขึ้นเห็นรูปกายท่านั้นดับลงเห็นเวทนาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นเวทนาชนิดนั้นดับลงเห็นความคิดระลอกหนึ่งเกิดขึ้นเห็นความคิดละลอกนั้นดับลงเสมอกันหมดร่องรอยของธรรมเกิดขึ้นแล้วดับลงต่ออาการสักแต่รู้แม้มีหลงมีนิสสงสัยสะดุดจชะงักอาการรู้บ้าง หากไม่ลดเพิกถอนอาการสังเกตระหว่างรู้ในกายกับใจมือออกไปตามความคิดในที่สุดจิตจะรมนิ่งตั้งมั่นปักหลักรู้ชนิดไม่ไปไหนเห็นแต่อะไรเกิดขึ้นดับแจ่มชักเป็นชิ้นเป็นอันเป็นขณะหาบุคคลตัวตนเราเขานิได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับแผ่นน้ำหากมิสระน้ำอยู่ใกล้ ให้เป็นนั่งขอบสระนำหินเล็กๆมากลองไว้ตรงหน้าหยิบหินคว้างลงน้ำทีละก้อนสังเกตเฉพาะจุดที่หินหล่นลงกระทบให้เกิดความกระเพื่อมใช้หางตาจับอาการของละลอกคลื่นที่ขยายตัวแผ่วมออกไปแต่ตาดูกว้างๆอยู่ตรงบริเวณผิวน้ำสงบลงตัวจากการถูกหินหล่นใส่ ใช้คว้างก้อนหินต่อไปลงตรงจุดเดิมหรือให้ใกล้จุดเดิมที่สุดสังเกตเหมือนเดิมและคิดว่าจิตเราเดี๋ยวนี้ก็เหมือนน้ำที่ถูกหินคว้างซ้ำๆตรงตำแหน่งเดิมดูเปรียบตามจริงที่จิตเรากระเพื่อมไม่หยุดเพราะโดนถมถล่มซ้ำๆจ้าด้วยกลุ่มความคิดไม่ขาดสายเมื่อเริ่มเกิดความเห็นขึ้นภายใน ภายในว่าจิตกับแผ่นน้ำมีความเหมือนกันให้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมากกราวคือเมื่อรู้ตัวว่าฟุ้งแรงทีหนึง่งก็คว้างหินลงน้ำาสีทีหนึง่งจะรู้สึกเหมือนวงความกระเพื่อมของแผ่นน้าเป็นอันเดียวกับลักษณะฟุ้งในจิตกกราวคือขยายตัวหายออกไปคงเหลือแต่ความสงบนิ่งทั้งภายนอกและภายในเสมอกัน หากจิตนิ่งลงจนเกิดความชัดขึ้นภายในเหมือนสามารถสัมผัสลักษณะน้ำได้ยิ่งดีขอให้แนบจิตลงกับแผ่นน้ำไว้เรื่อยๆแล้วเวียนกลับมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับน้ำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะจิตเสมอน้ำย่อมโอนเอ็นเข้าไปสู่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับการเคาะมือ จิตที่ฟุ้งนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยจะไม่อยู่กับปัจจุบันแต่เก็บอารมณ์ตกค้างจากอดีตมาคำหนึง่งมานึกทวนผลทางง่ายที่สุดประการหนึ่งก็คือใช้ภาษาทิฏีที่เป็นปัจจุบันมาเรียกสติการทำงานของจิตจะหักเหจากสุ่มเป็นระเบียบขึ้นเพราะของที่ผ่านไปแล้วหรือยังมาไม่ถึงย่อมกระทำให้จิตยุ่งเหยิง รอหาที่ตั้งไห้ได้ขณะที่ปัจจุบันจะทำให้จิตอยู่กับร่องรอยเพราะมีที่จับที่วางแน่นอนในเรียบทนั่งให้หลังพิงพนักตรงปล่อยท้ายตามสบายเอามือวางราบบนหน้าตักหากกำลังฟุ้งแรงให้เคาะมือเป็นจังหวะทีเร็วมือต้องไม่เกรง็ง หากฟุ้งน้อยให้เคาะมือเป็นจังหวะเบาช้าสำคัญที่ความสม่ำเสมอและความรู้เข้าไปผัดสะกระทบอย่างตรงไปตรงมาหากทำจนเป็นอัตโนมัติเมื่อจิตฟุ้งแรงจะไม่ปั่นป่วนจนกระเจิงตามยะถากรรมเหมือนเก่าแต่จะถูกจังหวะมือเคาะมาแย่นไปทำจิตให้มีงานหรือ มีเครื่องกระตุ้นให้อยู่กับปัจจุบันบ้างสำคัญคืออย่ารู้ที่เคาะอย่างเดียวแต่ว่าให้สังเกตเข้ามาข้างในใจด้วยว่าเคาะสักพักแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือยังโดยทั่วไปถ้าเคาะเร็วและแรงเพียงครู่เดียวความฟุ้งปั่นป่วนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใช้จังหวะเคาะที่ช้าลงและเคลื่อนสะท้อน ก็จะยิ่งเห็นเข้ามาภายในว่าจิตสงบตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆการเคาะนั้นอาจใช้เวลาเพียงสั้นครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีพอให้จิตตั้งหลักได้ขจัดความพุ้งไปส่วนหนึ่งพอให้สง บ, บอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างการเคาะเคอะมือกับจิตบ้างแล้วขอให้ลองเดินจมกลม แล้วเอาความรู้เฉพาะผัดสะกระทบระหว่างเท้ากับพื้นนั่นเป็นเครื่องชี้ความฟุ้มบ้างถ้าฟุ้งมากเดินเร็วถ้าฟุ้งน้อยเดินช้าจะเห็นว่าในที่สุดจิตเข้ามาอยู่ในขอบเขตของกายเกิดความเห็นกายออกมาภายในอย่างชัดเจนหรือหากกาลังง่าสะดวกที่จะเดินก็อาจจะเปลี่ยนมารู้การหายใจแทน ถ้ารู้ได้นิ่งๆดีๆก็รู้ไปเรื่อยแต่ถ้ารู้ได้เพียงเดียวๆแล้วฟุ้งก็เปลี่ยนกลับมาเคาะใหม่อีกสลับกันจนกว่าจะสบายใจเครื่องรกรุงรังในตัวสลายไปเป็นอันใช้ได้หากกำลังเครียดแบบกระเดียดไปทางปวดหัวอาจลองวางมือทาบใบหน้าเอาปลายนิ้วกลางแตะกลางหน้าผา แล้วกระดิกเคาะ ท, ทีรู้เฉพาะกระทบอย่าคิดไปทางอื่นอย่าสนใจภาษาอื่นหากรู้เฉพาะการกระทบจริงก็จะเห็นเหมือนมีแสงตรงจุดกระทบให้รู้เฉพาะแสงนั้นจนกว่าจะก้าวขึ้นเรื่อยๆและความโปร่งแทรกแสงความทึบมืดมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งความเครียดและความทึบทั้งหมดมลายลม ถ้าเมื่อยนิ้วกลางก็อาจจะสลับใช้นิ้วชี้บ้างหากนอนไม่หลับอาจวางมือท่าอกใช้ให้ปลายนิ้ววางอยู่เหนือกระดูกร่องอกแล้วขยับเคาะทิถีแล้วสนใจเฉพาะกระทบนั้นดูแสงที่เกิดขึ้นตรงจุดกระทบเช่นกันโดยมากถ้าสนใจเฉพาะกระทบแบบสบายๆนิ้วจะเหมือนจุดจะเหมือนหยุดเอง และลงสู่ความหลับอย่างสงบเลิกฟุ้งจะได้ทำให้กายเหนื่อยแต่จิตตื่นเคยกล่าวไว้ในอรยิยปัธบัตว่านอกจากเดินจงกรมแล้วเรายังอาจวิ่งจงกรม เให้จิตหลุดจากห่วงการปฏิบัติแบบซึมเซาเพราะการเดินจงกลมที่ช้าเกินไปตรงนี้จะกล่าวถึงการวิ่งจงกลมอีกครั้งในบทบาทช่วยให้หายฟุ้งแบบเดียวกับการใช้ผัดสะคือมือกระทบในข้อก่อนก่อนเรียกว่าถ้าทำข้อก่อนก่อนแล้วไม่ได้ผลให้ลองทำข้อนี้ดูเมื่อกาลังฟุ้งจั๊ถ้าลองวิ่งด้วยการซอยเท้าเร็วๆกว่าปกติ ไม่ต้องถึงขนาดวิ่งแข่งแล้วรู้เฉพาะเท้ากระทบแปะแปะแอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆสนใจอยู่เฉพาะภาษากระทบเท่านั้นแล้ววิ่งไปจนกว่าจะเหนื่อยผลที่เกิดเป็นความเหนื่อยกายแต่ว่าตื่นเป็นเหตุให้ความฟุ้งซ่านนั้นลดลงมากหรือว่าหายเกลี้ยงกับทั้งรู้สึกเป็นจังหวะเท้ากระทบอยู่ในใจแม้หยุดวิ่งแล้วเป็นนาน ถ้ามีเหตุภายนอกภายในรบกวนให้ต้องซอยเท้าช้าลงหรือว่าผลักดันให้ต้องซอยเท้าเร็วขึ้นก็อย่าไปดูตัวต้นเหตุขอให้รักษาความรู้เฉพาะอัตราเร็วของเท้ากระทบอย่างเดียวก็จะเห็นความไม่เที่ยนหากทำแล้วไม่ได้ผลเป็นกายเหนื่อยและเจ็บตื่นขอให้พิจารณาว่า เรามีความเอาใจใส่เท้ากระทบขณะวิ่งอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพียงใดจังหวะซอยเท้าคงที่แค่ไหนปันจจัยเหล่านี้มีส่วนสําคัญสูงสุดในอันที่จะใช้การวิ่งจงกรมเป็นตัวแก้ฟุ้มจดทุกความคิดลงในกระดาษถ้าลองนั่งลงจดความคิดเป็นคําๆที่เกิดขึ้นในหัวข้อในหัวของเราลงในกระดาษสักหนึ่งหน้า หรืออาจจะพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งที่ได้คือสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะหากทําต่อเนื่องสักระยะหนึ่งความคิดจะถูกขับเน้นให้ปรากฏเป็นเสียงในหัวอย่างชัดเจนเพราะจิตมีเครื่องทุนแรงให้จดจอรู้ความคิดของตนเป็นเรื่องเป็นราววักต่อวักต้องทำความตั้งใจ เราจะเขียนทุกความคิดโดยไม่กรองเป็นภาษาพูดให้สละสลวยเพราะเราจะดูความคิดไม่ใช่คิดเขียนยเรื่องราวต่างๆด้วยวิธีนี้เราจะเขียนไปได้เรื่อยและท่าทันความคิดที่ตนเองอย่างแท้จริงเสมอขอให้เขียนด้วยความสบายใจว่าจะทิ้งถังผมหรือว่าลบออกจากหน้าจออยู่แล้วจึงไม่จาเป็นจะต้องกลัว ที่จะตีแผ่ความคิดทั้งหมดของตนเองออกมาให้ตัวเองได้รับรู้หากเป็นความคิดชนิดที่ปราศจากคำก็อาจจะเพียงเขียนไว้สั้นๆว่าเกิดภาพหรือเสียงใดขึ้นในหัวขอให้ทราบว่าวิธีนี้แม้จะทำให้เกิดผลเป็นความสงบเราก็จะไม่มุ่งหวังความสงบเป็นหลักแต่จะเล็งไปที่สติซึ่งคมคายขึ้นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้น และดับลงถูกต้องตรงจริงชัดเจนขึ้นยอมรับได้มากขึ้นว่ากระแสความคิดเป็นเพียงมายาชนิดหนึ่งและละลอกความคิดไม่ใช่ตัวตนท้าวรของเราเลยฝุกสติรู้ตัวในฝันดังได้กล่าวแล้วในอุบายของพระพุทธองค์ข้อสุดท้ายที่ให้ต่อสู้กับความม่วงขณะนั่งสมาธิคือว่าการนอน แต่เป็นการก้าวลงสู่ความหลับอย่างมีสติและกำหนดไว้ในใจว่าตื่นแล้วจะลุกทันทีซึ่งฝึกเป็นประจำจะกลายเป็นอนุสติอยู่ภายในไม่ให้นอนแนบหายใจสู่พวังหรือหลงยึดภาพฝันเป็นตุเป็นตะอย่างคนธรรมดาทั่วไปยังไรก็ตามไม่ว่าพระหรือคารวาาถ้าอยู่ในช่วงที่การฝึกสมถะและวิปัสสนาเพิ่งเริ่มต้น มักจะเผลอหลับอย่างสบายเกือบทุกรายหรือบางคนมีอุตสาหะตั้งใจฝึกก้าวลงหลับอย่างสมสติสัมปชัญญะแล้วก็ล้มเหลวนานไปก็ทอเข้าใจว่าคงไม่สามารถหลับแบบพ้นอาการหลงได้สําราอ ย, ย่างชอบฝันเลิศเถอะยุคเราบางคนแทบไม่อยากหลับเพราะต้องการเจอกับสิ่งน่ากลัวหลอกล่ออาจเป็นนิมิตพูดผี หรืออาจจะเป็นภาพเหตุการณ์สยดสยองซ้ำซากทำให้ตื่นขึ้นมาด้วยความฟุ้งหนักเหมือนไม่ได้พักผ่อนหลับนอนลหลายคนรู้ตัวด้วยซ้าว่ามีจิตหดโหูสลับกับฟุ้งซ่านตลอดวันก็เพราะหลับไม่สนิทหรือว่าหลับแล้วฝันร้ายอย่างต่อเนื่องบางทีสืบหาต้นตอจากชีวิตจริงก็ไม่ทราบจะเริ่มจับเข้าเงื่อนจากตรงไหนเพราะชีวิตวุ่นวายสับสนจนลาดับยาก ในข้อนี้จึงขอแนะนำสติอีกรูปแบบหนึง่งคือสติที่รู้ตัวว่ากำลังฝันหากฝึกสำเร็จผลที่เห็นชัดคือความมีใจสงบเยือกเย็ยนลงค้นภาวะฝันร้ายอันสนเปล่าและทำลายสุขภาพจิตจะได้อีกทั้งทาพมีพรสวรรค์ในการรู้ตัวในฝันอย่างดีก็อาจจะยืดเวลาศึกษากลไกของการงานจิตให้นานขึ้น เพราะระหว่างตื่นกับหลับสิ่งที่เป็นที่มีอยู่จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้คือจิตและอุปทานสัมผัสกระทบจะพิสดารเพียงไรก็ตามตัวยืนโรงแน่นอนคือจิตถูกปรับปรุงให้ยึดมั่นถือมัน่นหากสามารถกาหนดรู้ว่าสิ่งที่เห็นในฝันเป็นเพียงของหลอกจิตก็จะปล่อยวางความยึดมัน่นคลายความทุกข์ได้ระดับหนึ่งดังนั้น เป็นผู้มีสติเสมอการระหว่างตื่นกับฝันอาจจะได้ข้อสรุปเหมือนกับที่พระเทระกล่าวไว้ในชราสูตรที่หกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบเจ็ดว่าบุคคลผู้ตื่นจากหลับไม่ถือสิ่งที่ประสบในฝันว่าเป็นตัวตนแน่ฉันใดก็ย่อมไม่เห็นบุคคลที่รักตนสิ้นชีวิตล่วงไปฉันนั้น ที่ยังเห็นว่ามีเราคนที่เรามักมีชีวิตอยู่คนที่เรารักตายจากรากกันก็กล่าวได้ว่าเพราะยังฝันอยู่ยังหลับไม่ตื่นต่อเมื่อบรรลุทำขั้นสูงสุดตื่นขึ้นเต็มตัวก็ไม่เหลือเราไม่เหลือไกลนอกจากธรรมชาติอันเกิดดับเช่นท่าน วชราภิษุณีกล่าวไว้ในวชิราสูตรที่สิบพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจ็ดความว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปย่าดูบาว่าความฝันเป็นเพียงสิ่งไร้สาระเพราะทุกสิ่งย่อมถูกน้อมมาเพื่อพิจารณาให้เกิดความปล่อยวางเช่นที่พะระเถระนามว่าอุสสะะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็มีฝันเป็นชนวน ดังแสดงในอุสภะเถรคกถาว่าด้วยพิด้วยว่าสุภาสิตเกี่ยวกับความฝันในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ส8ปเราฝันว่าได้ห่มชีวอนสีอ่อนเชเวียงบานั่งบนคอช้างเข้าไปบินทบาทย่างหมู่บ้านพอเข้าไปก็ถูกมาหาชนพากันมารุมดูมองดูอยู่ก็จึงลงจากคอช้างกลับลืมตาตื่นขึ้นแล้ว ครั้งนั้นได้ความสดใจว่าความฝันนี้เราไม่มีสติสัมปชัญญะนอนหลับเห็นแล้วครั้งนั้นเราเป็นผู้กระด้างด้วยความมัวเมาเพราะชาตระโกนได้ความสังเวชแล้วได้บรรลุความสิ้นอสวรร์ในกรณีที่พระอสุภะนี้ขอภัยค่ะในกรณีที่พระอุสภะนี้ตอนตื่นอยู่ ท่านอาจจะพิจารณากายเวทนาจิตทำตามสมควรแก่กำลังแต่ยังไม่รู้ว่าติดร่างแหกกิเลสประเภทดใดที่ขวางนักผลยังรั้งให้ยึดและหลงยินดีได้พบชาติอยู่จังๆซึ่งท่านก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งหากประศจากสิ่งกระทบคนเรามักจะมองไม่เห็นว่ากิเลสใดซุกซ่อนอยู่บ้างความฝันของผู้มีปัญญาปฏิบัติธรรมย่อมเสมือนกระจกเงา หรือประทีปส่องให้ตนเองสำนึกรู้เช่นพระอสุภะได้ตรหนักว่าในส่วนลึกท่านยังเมาในชาติตรกูลพอรู้ตัวแล้วก็พิจารณาจนละ ว, วางความเมาเสียได้ก็บรรลุธรรมชั้นสูงสุดไปสรุปคือหากเราพิจารณาว่าฝันต่างๆสะท้อนความติดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราละวางเรื่องนั้นเสียได้ด้วยปัญญา แม้จะไม่ต้องถึงขั้นพระอุสภะอย่างน้อยก็แก้ความฟุ้งอันเกิดจากฝันร้ายได้แน่ยิ่งถ้าฝึกจนรู้ตัวได้ในฝันก็จะสามารถเบี่ยงเบนเหตุการณ์ในฝันทำฝันให้อยู่ในอำนาจตามปรารถนาได้หรือแม้กระทั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมในฝันเป็นการยึดเวลาปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติภาวนาขณะฝันจะมีนิมิตบอกเราอย่างดี ว่าการภาวนาของเรายัางติดอุปสรรคชนิดใดหรือควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดบ้างตามความเชื่อนับพันปีมาแล้วของพุทธในทิเบตถึงขนาดจะใช้สติในฝันปฏิบัติให้ถึงมรรคผลกันทีเดียวแต่สำหรับที่นี้คงไม่หวังถึงขั้นนั้นจะเอาเฉพาะประโยชน์คือกำจัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านเป็นหลัก ผลพลอยได้ที่ตามมาจะมากน้อยเพียงใดก็สุดแต่เหตุปัจจัยจะอํานวย